ประเภทของความรู้เมื่อพูดถึงกระบวนการรับรู้แล้วก็ควรกล่าวถึงประเภทของความรู้ไว้ด้วยแม้ว่าจะต้องกล่าวถึงอย่างย่นย่อก็ตามว่าตามแนวพุทธธรรมอาจแยกประเภทของความรู้ได้หลายนัยยะดังนี้การแยกประเภทของความรู้นัยยะที่หนึ่งชุดก่อจำแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติของความรู้วิธีจําแนกตามสภาวะอย่างง่ายๆก็คือจําแนกตามหลักขันห้าความรู้เป็นนามธรรมจำพวกหนึ่งซึ่งกระจายอยู่ในขันที่เป็นนามธรรมหรือหมวดนามธรรมที่เรียกว่านามขันสามขันคือสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันความรู้ที่จําแนกตามสภาวะของขันได้แก่ 1. สัญญา 2. วิญญาณและสปัญญาสัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันได้แก่ความกำหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายหรือหมายรู้แล้วบันทึกเก็บรวมไว้เป็นวัตถุ ด, ดิบของความคิดต่อๆไปทำให้มีการรู้จักจำได้รู้เข้าใจ และคิดได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสัญญาแบ่งตามอารมณ์คือสิ่งที่หมายรู้หรือกำหนดจดหมายไว้มีหกชนิดคือรูปะสัญญาสัญญาเกี่ยวกับรูปสัตสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเสียงคันทสัญญาสัญญาเกี่ยวกับกลิ่นรสะสัญญาสัญญาเกี่ยวกับรสโพัปะสัญญา สัญญาเกี่ยวกับสิ่งต้องการรำมสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือสิ่งที่ใจรู้และนึกคิดว่าโดยสภาพตรงแต่งสัญญาอาจแบ่งคร่าวๆได้สองระดับคือระดับที่หนึ่งสัญญาชั้นต้นได้แก่ความหมายรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆโดยตรงเช่นหมายรู้ว่าสีเขียวขาวดําแดงแข็ง อ่อนรสเปรี้ยวหวานรูปร่างกลมแบนยาวสั้นเป็นต้นรวมทั้งความหมายรู้เกี่ยวกับบรรยัญญต่างๆว่าแมวว่าโต๊ะว่าเก้าอีระดับที่สองสัญญาซ้อนเสริมได้แก่ความหมายรู้ไปตามความคิดปรุงแต่งหรือตามความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นหมายรู้ว่าสวยว่าหน้าเกลียดหน้าชัง ว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นถ้าแยกย่อยออกไปสัญญาซ้อนเสริมหรือสัญญาสืบทอดนี้ก็แบ่งได้เป็นสองพวกคือพวกที่หนึ่งสัญญาซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าปะปัญจัะสัญญาคือสัญญาฝ้ามเฟือหรือซับซ้อนหลากหลายซึ่งเกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้พิสดารของตันหามานะและทิฏฐิ เรียกอีกอย่างหนึ่งตามสำนวนอัตถคถาบางแห่งว่ากิเลสสัญญาแปลว่าสัญญาที่เกิดจากกิเลสหรือสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสหรือสัญญาเจือกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ปั้นเฟือและห่างเหเฉฉฉฉาฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ่ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ่ฉฉฉฉฉรฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉโมหะ แทนที่จะช่วยให้เกิดความรู้กลับเป็นเครื่องปิดกั้นบิดเบือนความรู้ดังได้เคยอธิบายแล้วข้างต้นยกตัวอย่างเช่นหมายรู้ลักษณะที่ตนถือว่าหน้าชังหมายรู้ลักษณะอาการที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ลักษณะอาการที่ตนเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะอาการในผู้อื่นที่ตนถือว่าต่ำต้อยด้อยกว่าหมายรู้ภาวะที่ตนเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นต้น สัญญาซ้อนเสริมพวกที่สองสัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบ้างวิชาภาักยสัญญาบ้างหรือเรียกชื่ออื่นๆในทำนองนี้บ้างวิชาภาักคยะสัญญาแปลว่าสัญญาที่ช่วยให้เกิดปิชาเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรมเช่น หมายรู้ลักษณะอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะอาการซึ่งแสดงสภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงภาวะที่ไร้ตัวตนเป็นต้นพระอระหันต์ก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากอาสวะคือสัญญาไร้กิเลสพระอระหันต์ก็หมายรู้ปปัญญาสัญญาตามที่ปุตุชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อครั้งยังเป็นปุตชน แต่ท่านหมายรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นในการช่วยแก้ไขปัญหาของผู้อื่นไม่หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนออกรับความกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงดำเนินตามแนวทางเช่นนั้นความรู้ที่จำแนกตามสภาวะองค์ขันอย่างที่สองวิญญาณคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดวิญญาณขันได้แก่ความรู้ยืนรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิต และซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตดังได้อธิบายแล้วในบทที่หนึ่งว่าด้วยขันห้ความรู้ที่จำแนกตามสภาวะของขันอย่างที่สปัญญาเป็นความรู้หลักในหมวดสังขารขันความหมายของปัญญาได้แสดงไว้แล้วพอสมควรในบทที่หนึ่งจึงจะไม่กล่าวซ้าในที่นี้